สนใจโลกโลกก็เศร้าใจไปเรื่อยไม่แก้ที่อื่นแก้ที่อื่นก็ดีเหมือนกันแต่มันแก้ลำบากเรามาแก้ที่ใจเราก่อนอย่างน้อยเราสร้างสังคมที่ร่มเย็นนะเป็นจุดเล็กๆขึ้นมารอบๆตัวเราแต่และคนมาเรียนธรร ม, มะแล้วก็ใจเราร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมา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 พระสมถะเนี่ยวิจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบวิปัสสนานี่ยก็รู้ทันจิตใจของตนเองไวในทุกๆสถานการณ์โดยเห็นทุกความเปลี่ยนแปลงงั้นบางครั้งภาวนามืดเลยมืดไปหมดเลยเราไม่ต้องตกใจว่าทําไมวันนี้ภาวนาแล้วไม่สว่างมืดกับสว่างนั้นเท่าเทียมกันพอสว่างขึ้นมาจิตก็หลงยินดีพอมืดจิตก็หลงยินร้ายก็หลงเท่าเทกัน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 ทีนี้พอเวลาภาวนาไปเนี่ยมัน อ, อย่างเมื่อคืนตอนเด็กๆอาจจะเป็นว่ากลัวความมืดด้วยอืก็เลยแบบว่าจงใจภาวนา ม, มันจะเห็นความเครียดน่ะเจ้าค่ะโลภมะโลภอยากภาวนาเขาไปบังคับจิตจิตถูกบังคับจิตก็เครียดเหมือนเวลาเราบังคับลูกนะลูกก็เครียดนะจิตเหมือนลูกแหลนะให้การศึกษาเข้าไปส่วนเขาจะดีเขาจะเลวเขาจะสุขเขาจะทุกข์ก็ขึ้นกับกรรมของเขา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 หนูไปภาวนาที่เชียงดาวมาหกอาทิตย์เพิ่งกลับมาค่ะหลวงพ่ออตอนเนี้ยหนูเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เรามีความคิดเมื่อนั้นเรามีตัวตนอมเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับ <c oughs> มันจะเป็นว่างหลังจากที่เราคิดแล้วอะ่ะตรงนั้นไม่มีตัวตนไม่มีสุขทุกข์มันไม่มี<ต>เราอยู่ในนั้นว่างตัวนี้ไม่เอานะ <c oughs> ว่างตัวนี้ยังใช้ไม่ได้เป็นว่างที่คู่กับวุ่น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 อ๋อมันก็คือตัวเดียวกันกับที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นี้มันก็ไปติดนั่นแหละอ๋อค่ะมันก็เป็นพบอีกพบหนึ่งไหมทุกอย่างแสดงใจรักนะยกเว้นจิตตัวรู้นี่เที่ยงค่ ะ, ะแล้วเที่ยงกันเป็นกลับกลับเลยนะตรงเนี้ยถ้าหลุดไปพรหมโลกการดูจิตเนี่ยถ้าพลาดนะจะไปอารูปประภูมิไปอารูปประพลมเป็นอารูปประพลมดูกายนะดูพลาดไปจะเป็นรูปประพลม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 แทนที่จะเป็นวิญญาณังอนิจจังนกลายเป็นวิวญญาณังนิจจังขึ้นมาแทนที่จะเห็นว่าวิญญาณังทุกขังนะนจะกลายเป็นวิญญาณังสุ ข, ขังขึ้นมาแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นอนัตตานั้นจะรู้สึกว่าคุมได้่ะถ้าฝึกดีเต็มที่แล้วคุมได้ถาวรคิดอย่างนี้เลย <c oughs> อการนมันสการครับหลวงพ่อครับ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 งั้นเราตัดความฟุง้งซ่านซะก่อนนะขยับไปหลวงพ่อใช้กระทั่งพัดนะพัดยับแล้วรู้สึกเหรอใจเผลอไปพัดๆไปเตียวตัวเองเข้าบางทีนะแลรู้สึก อ, อ่ะต่อไปใครมาจากที่ไกลๆบ้างมีไหมเอาไกลๆเลยนะแล้วอยากส่งกันบ้านไกลอย่างเดียวไม่อยากส่งกันบ้านก็ไม่ต้องยกมือ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 อาเชิญคนพิจิตนมรสการหลวงพ่อนะคะคือ ม, มานะอยู่ในตัวเมืองเลยไม่ใช่ค่ะอยู่อำเภอโพทะเลค่ ะ, ะก็เคยมาครั้งหนึ่งเมื่อมกราตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยค่ะหลวงพ่อพอดีวันนี้มาขอบคุณหลวงพ่อหลังจากที่สเปะสปะมายี่สิบกว่าปีตอนนี้เห็นทางแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็เอาธรรมะของหลวงพ่อไปเผยแพร่ วันนี้ขอมาขออนุญาตหลวงพ่อนำธรรมะของหลวงพ่อไปเผยขอพระพุทธเจ้านะเอาไปเผยแพทย้วของไปเอาไปเผยแพทที่วัดที่บ้านเพราะว่าเป็นผู้เผยแพทให้กับผู้ถือศีลอุโบสถช่วงเข้าพรรษานี้เจ้าค่ะโมทนานะโมทนา16 16นอนอคนกรุงเทพนั่งเก้าอี้อยู่นั่งเก้าอี้กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ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 ในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเรียนถามหลวงพ่อว่าทําได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วอึดอัดมากเลยหลวงพ่อแค่สองชั่วโมงเองทําไมมันยาวนานมากมายแล้วก็มันเหมือนถ้ามันไม่ถูกเจริญก็ไม่ควรทําใช่ไหมคะหลวงพ่อ <laughs> ขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่รู้หรอกเกมกิจบัจจาไม่ได้คิดเกมนี้มา <laughs> พี่เรียกเขาอุตสาหพัฒนาเกมเพิ่มมาให้เล่นก็ดีแล้วละ่ะโยมเห็นไหมว่าจิตใจเราเร่าร้อน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 อย่างนี้แค่เราไม่ได้พูดชนิดเดียวนะอื่นอาจจะแย่เราอยากพูดแล้วมันทุกข์เราก็จะได้เรียนธรรมะจากของจริงมีความอยากทีไรก็ร ม, มีทุกทุกทีเลยนะดีนะไปปิดดูบ้างขอบคุณเจ้ า, าค่ะคนไหนช่างพูดขอให้เล่นเกมปิดวาจานะ <c oughs> <c oughs> คนไหนไม่พูดอยู่แล้วขอให้เล่นเกมพูดมาก <c oughs> หลวงพ่อไม่รู้หรอก <c oughs> วัตถุประสงค์เกมเราเยังไงอันนี้ใช้ได้ไหมที่อธิบายถูกไหม <c oughs>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 พอวันนั้นเราก็แว็บแรกก็จะรู้สึกขึ้นมาตอนที่รู้สึกรู้สึกขึ้นมาโดยทันทีตอนนั้นนะฮะเราก็จะรู้สึกไม่เป็นกลางขึ้นมาเราก็จะมีอีกเจิตหนึ่งพูดตามมาว่าเออมันก็เป็นอย่างงี้แหละมันควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็ดูนะบ่อยๆครับนะทําในรูปแบบทุกวันนะมันจะเป็นอะไรเป็นเป็นเครื่องกั้นอ่ะไม่ให้เราหลงยาวครับการทําในรูปแบบหกสิบสอขอบคุณครับนมิธการค่ะหลวงพ่อ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 ธรรมชาติที่สุดแล้ว<ม>แต่โยมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากโยมหลงเราไม่รู้เราคิด ว, <ช>ว่าอย่างเราพอนาต่อเนื่องมานะมันมีความโลภซ่อนอยู่ข้างหลังจงใจนะพอความโลภความจงใจคลายออกไปเนี่ยมันพอดีอาศัยกำลังที่ได้พอนามาแล้วเนี่ยมันส่งมาได้อีกช่วงพอกำลังที่ฝึกมามันหมดเนี่ยมันจะฟุง้งค่ะนะนั้วยังไงเราก็ทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบไม่ได้หรอก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 ไม่ไปไม่ไปติดในภพว่างๆอะไรไหลวงพ่อเคยบอกว่ายมไปติดในภพ่ไม่ติดบบลแล้วล่ะ <c oughs> ตอนนี้มันฟุ้งแทนค่ะย่สิบห้าภาวนานะเหมือนขับรถยนต์นะบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งนะเฉ่วยไปก็ไม่ได้บางเวลาก็ต้องเหยียบเบรกทาความสงบเข้ามานะเป็นช่วงๆไปเหยียบพร้อมกันได้ไหม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 กลัมารู้ทันจิตนะนิมิตแทกเข้ามาแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบกังวลรู้ว่ากังวลดูเข้าไปเลยบางทีมันก็เกิดขึ้นจริงอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันเห็นขึ้นมาแล้วบางทีมันก็ไปเห็นของจริงอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ล่วงหน้าเนาะงั้นก็ไม่เป็นไรไม่ใช่สาระเพื่อความพ้นทุกข์หรอกนะรู้ทันกิเลสเราดีกว่าไอของพวกนั้นเรื่องธรรมดา ลหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหนูอีกไหมคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะย้อนเข้ามาดูที่จิตนิมิตรทั้งหลายจะหายไปหมด32นมสการค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมา3าปีแล้วค่ะเพิ่งเคยส่งครั้งแรกก็ยังเป็นยังรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างอยู่ค่ะแล้วก็พยายามทำในรูปแบบบ้างให้มีกำลัง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 S <S อย่างรู้ว่ากังวลเรื่องงานเนี่ยม่าจะหายอะใช่ค่ะพอรู้ว่ามีความกังวลขึ้นมาแล้วเราก็ไม่งั้นมันตุนๆอยู่ในใจนะอย่างเงี้ยไม่หายอ๋อพอมันแจ้งขึ้นมาว่าอ๋อ น, นี่อันนี้อัน น, น, นี้เข้าใจแล้วก็ทิง้งแต่พอได้ความวิตกกังวลกลับมาครองแล้วเราทําไมรู้สึกปลอดภัยกว่ากว่าความเงียบเงียบลงๆพอได้ความวิตกเนี่ยพอเรารู้ว่ามันวิตกเนี่ยเพราะจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้ เราเห็นสภาวะแล้วจิตเราก็มีแรงขึ้นมาตั้งมั่นอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้แล้วอีกครั้งหนึ่งก็นั่งสมาธิอยู่อะค่ะแล้วอยู่ดีมีอารมณ์ขึ้นมาเป็นอารมณ์โศกเศร้าเสียใจอะไรอววรทีนี้ก็ยังยังยังดูอยู่ก็ดูอยู่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาเริ่มขยายออกมาแล้วก็กลายเป็นร้องไห้ออกมาอแล้วเราก็กลับไปรีเช็คที่ตัวตัวตัวที่ตอนแรกที่เขารู้อะค่ะว่าเอ้ย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 ก็ฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งไป<อ>มั น, น <ะ S 2> ฟุงฟ้งเองอะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละต้องทาความสงบบ้างทําในรูปแบบนะใจจะได้ตั้งมั่นมีกําลังใจหนูฟุ้งไปคขอบคุณค่ะเจนู่นอยู่นอกห้องขยับไม้ขยับมือขยับมือต้องรู้สึกตัวนะขยับไปรู้สึกไปรู้สึกรู้สึกกลับกล่าวนมัตสการพระอาจารย์ครับ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 ให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆในใจเหล่านี้แหละพอรู้ทันนะความยินดียินร้ายดับเราก็จะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางต่อไปครับผมขอบพระคุณพระอาจารย์ครั บ, รบจิตต้องเข้าฐานนะอย่าให้จิตกระจายกว้างกว้างออกไปนะจิตกระจายกว้างกว้างไม่เดียยิ่งกว้างมากครับอย่างแรงด้วยนะไปอัดคนอื่นใส่ข้างฝาหมดเลยแต่ว่ากว้างกว้างออกไปนะ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 มันเข้าไปแนบครับมันแนบนะสิครับอย่าให้เข้าไปแนบเพราะรู้สึกว่าเข้าไปแนบแล้วรู้สึกว่าจิตมันมันสงบมันนิ่งมันแต่ว่ามันก็มีอยู่อยู่อันหนึ่งที่มันก็ยัง赖อย่เหมือนเดิมเอคยได้ยินคํานี้ไหมว่าแนบแน่นครับไม่ใช่แนบอย่างเดียวนะแน่นด้วยน้องแน่นแน่นแน่อยู่เออไม่เอาแนบแน่นอย่างนั้นไม่เอาครับดูห่างๆโปร่งสบาย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 ถ้ารู้อย่างนี้บ่อยๆจิตจะสงบเข้ามาจะมาเป็นผู้รู้มีความสงบมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลปราดเปรีย ว, ว่องไวนะสบายแล้วเอาจิตนี้แหละไปเดินปัญยาแยากธาตุแยกขันธ์ตอนนี้ก็ ย, ยังแน่นอยู่ครับอ้ยมันแน่นแนน่งครับคนโบราณเก่งนะบัญญัติศัท์ออกมานะถ้าภาวนาเป็นนะจะรู้ว่าสะใจเห็นไหมคําว่าสะใจสะใจ